พอเรามีหลองพ่อช่วยตอคแม่หน่อยเพิ่มแทนตรงนี้แปดสิบก็พอแล้วนะพี่หลวงพ่อต่อคุณแม่เจ้าอย่างยาวหรืออย่างยืนล่ะของไม่ต้องยาวก็ยืนเถอะอ่ายาวก็ยังไงยาวก็ล่าไปตามเพื่อเด่นเย็นก็สูงขึ้นเอางี้ก็แล้วกันนี่ซื้อเสื้อมาได้ลามามัดหนึ่งอย่างยาวนะอย่างยืนก็ซือต้นตาลมาต้นหนึ่งมันจะไหว ได้ได้เอาเลยเล้ะเอาเี้แล้วกันอนึ่งนะให้ให้แม่ไปปล่อยปลาซื้อปลาให้ท่านเรได้ปลาที่เขาขายนะตัวละพีใช่ใช่ถ้ายังไม่ถึงยุไขายนะถ้าถึงยุไขายก็เลิกกันเลิกกันแล้วไปสวนใช่ใช่ต่อไปต่อไปเดิเดินจ้ เข้าเลยๆเร็เลยแากเจ้าลูกชายของลูกายไฟเป็นเวลานานแล้วเวลาสุ่ส่วนนาก็คอบตวกตัวม่ย้ายมาย้ายี่นหน้านขอหน้าเป็นประจําแต่คนรายพยายากไม่ทวันวันที่เองย้ายตายมานานแล้วเลยมาเข้าปาบอว่าลาเลยีเองตายปา ยาเือเกินั่นน่ะไม่ได้ดูยายไม่ได้ห่วงยายเขาต้องโกรก่อนใอ่ใช่ใช่ใช่โอเคเยี่ยมันแต่เด็กไงแล้วอะไรลูกเนี่ยอะไรเออมนาจาร์ตุเออเออดีมนาจาท์ตุลูกของน้องเดี่มากทีมากเลย เอาสบายเสื <mile> ้อผ้าแลกเรียนไทยแลเรียนีตอนไหนไปก็รักเกไหนเน่ยเียนารเระดับไหนโะไหนเออเหน่าเลยเลยจาถ้าบอกเสื้อชั้นในกับกระเกงชั้นนอกเพื่อเสื้อไหม่เห่าเลยเลยถ้ว่าใารตอบไปที่ กากเรื s <S <ý st> à, ่องการงหวงจำยจหต้องมีเรื่องญญาหม่แล้วก็เรื่องเช่นีจมูกหวควรจะอาห้าฝ่งไตยจะหมและต้องเ่ต้องมีเรื่องปุญญานะสหาหนึ่งมีกระตังซื่อหมูซือไก่เรื่องสอง มีผ้าขาวปูโตเจิกที่สมมีคุณลงสวงเลอกที่4ขอทั้งหมดยวข่ายยกตรงไปแต่ในนี้เขาให้โภลาราจา์ลงหมูหั่นข้อนเลยข้อนทำไมเนี่ยอยที่เอาสาเก็บข้อนแล้วแต่ลงสวง่ะเออไม่ตายกินข้าครูไม่ให้นะสิเวลายงไปแล้วต้ก็มาอ้าวจุ ลองเรียบว่าท่นเท่าตัวโอ้ครับครับครับแน่ถ้าโกงผมต้องโนพอใ้ายม่นะเลยรือว่าให้เล็กถึงท่านเท้ามหาราชกรรรท่พรู้เจ้าจุฬาลันะแค่ไหนโหดีแล้วนะต้องมาเอาอกคำ้ไ่าต้อเอาไประเลี้ยงหลวง ไม่ต้องไม่ต้องใจตามเอาแล้วกันเลยใช่คือตีตอให้ตีตอเองใช่ใช่าว่าต่อไปเอาลงเล็กมานจ๋งเจ๋งลูกจ้าเยอเก่งมากลูกวันเดิมหมตากัน้็เรียนก้งตาตาั ก็ดือดร้อนนะสิไม่เป็นไรนะได <unknown. S 1> ้เหมือนกับอะไรท no ี่เดี๋คนตอะไรวนระยะระยะมาไปไหนเขาเาบอกเขาไหว้ครูวันไม่้ครูใช่ไหมพวกที่มามากไหว้ครูขั้นบนขั้นองที่ไหนก็มีผู้เคนมากเต็มกระาง ไหวเสร็จงวลงล่างเงี้งไฟไหมบบเที่ยบพระเที่ยบพระนึก่าก็ร้อนจชไปไหมอย่างบนมั่งบอกเฮ้ยไม่ใช่เทวาสับไฟอย่างนี้กึุมนะต่างเฮ้ยพมมาร้ยไปดับไฟกันถ้าไปไปอะไรไหมในกระถางแต่ก็ในกระถางเขาบมงเาบอกว่าที่บูชาน่ะกระดาษเยอะพมันไม่ใหม่บนกระถางไม่เดี๋ยวนะแมดันว่า ขณะเฮีนพระโอปปิศมาโอ้โหแสบที่ด้งใส่ใส่ใสใส่ท่น้เราก็คือประกานะยุทธศาสตร์ล้อแสบนะการศึกษาศิลป์ที่มาศึกษาโอ้ยใส่ใส่ล้อล้อว่าล้ว่าศิ เวลาที่เราไปา่อยๆว่าแ่ไม่อยากนะครับุ่งหมาก็ยจะก็ฝากอางตัวเธนาคนัดไปเไว้ก็วันาก็ใชนดห่งเป็นเอาไ้อาวนั่นทำไมจะไม่ตัวเลกเขาถึงมือนะธนาคารก็ถึงมือกันนะฉันต้องเช็นรับก็ดีด้วย ลงาเพราะอะไรเจ้าของไม่ต้องเสียค่ารถเสียเวลาเมอาาเช็คเช็คาว่าอยู่่เาะแรแต่ม่ไม่เหอรอไมเยเว้ก็ไเือ็ก็อกวอยไหนวนวนไ่ไไ่ไเยนไ่หไเย็ยไ่ไหวไ่ไหวกือ อธิสงดีแต่วัยก็ไม่ไม่คดีอธิสงแล้วมันเท่ากันแต่ปีติไม่เท่ากันไม่คดก็จะว่าไปหย่อนก็าหน่อยพี่ปีติไม่ได้่้วยอธิสงไม่ร้องนะขอรับการเจ้าวริหารน่ะมีในปีพศานี้ ่่เอาีชมพูหรือแดงดราะว่าแดงุเกลอชมูจมี่อนแน่นกว่าด้วยะเอาี้แล้วกันเอากระเนชมูเสื้อสีแดงใช่ใช่อ้าวบนี้ลาบแล้วไม่ดูเดือดเดี๋ยวก็หมดต้นต้อมีอำนาจ แต่งเมียมน่าจะเลยๆนะจ๊ะน้ำหอมตอกตาเลยเลยๆแต่งจากตรงเพื่อที่จะได้เฉพาะเป็นตั้งแรกในงานมาเป็นสายขอสาภาพเป็นใจว่าผมเป็นใน้าทงี่แล้วทกางเรียร้อยรอ้าอง้ตอดผ้าก็นเปื้ ตอนนี้มกไดูสิหลวงพ่อรู้ตังค์แล้วคุณหมหลว่อได้ให้โอ้โหจำไม่ด้เออของสงโหที่ไม่ได้นะท่านจะันร้าีสงฆ์ในตังห้าบาท10บาทก็ใสรซองเราเจ็ดยีร้านนี่สง์ทำได้เรื่อยๆวัาถ้าสงรับแทน ของจริงมันเป็นอย่างนั้นเนียกว่าให้เก็บนว่าชำระหนี้ส่งนะมันไปเข้าไปจริงชำระนีสงแล้วก็ค่าสินรัไปมันใช้ถึงประเภทนไม่ได้ด้วยเนขอกว่าแสานเด้ดนกรที่ได้ใจันไปเื่อยๆไปสอหไม้เยนล้านสองล้านอยงเ อดีตร้าไม่ใช่อะไรรักระดาษเลีนเลียนห้าบาทริบบาก็ได้บาทบบาทเาทไม่เรื่อยๆใจไม่เบาเมื่อเราทำเขาไปแล้วอางทยังไม่ครบก็ตามใจมันไม่กาอก็เลยไม่ลงมาลไม่นัดใจกันนี่กต้นแก้าวโบราณบรานไม้รอกไม้แม่ดาวมาจากบ้าแบงสบายแบ่งกนคนละคึ ถ้าไปสังเวยขึ้นคงโยกไปสังเยขึ้นลงโยกขึ้นอดีตของสงน่ะรืของที่วัดมันไม่แน่ต้องพิจารณาตามนี้อย่ยงดอกไม้จะหาวพระที่ท่านสืยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมหรือว่ายังไม่สืกเังไม่ตายไปขอ้าของก็ได้ถ้าพระันสืบแล้ตายไปแล้วเป็นของสงฆ์อะไรกันนะทู้อย่างไม่เกิ ได้ทําให้เข็ต้องไปกสุงศูนย์ต้องตกลงแว่ากันแล้วกันถ้าแจว่ากันไปแจว่ากัลงนรกไป่เองแล้ก็เดี๋ยวูกนี้ตงสงสัยว่าในาที่ลูกนี้ก็มาหลายเยือแล้วถ้าสนุกยาก็จะมีัญหาตัน เร่อทีว่าทำไมต่อทีบคแม่ที่เดเให้ทุณโตเบามันก็ไปไปให้คุณโตไลมันไม่มีแย่แลูกก็เลยเสียใจย้องไหโหนองไปถพระเจ้าว่าทาไมพรเป็นเจ้าทรงคิดไม่ได้ก็เพราะพรเจ้าทรงมีอะไรวันนี้ลูกกำลังมาเรียนแล้วันนี้วันักหรือไม่จะไปต่อนี่นี่นี่ีแหละครับม่ค ไอเส <upstairs. S 2> ือกบากฟังห้างตัวเสือกบากไอเดรยวดีเลยใช่ใช่ใชสีสนัดสีนะ้นบาจีนั้นมันไม่เช่ผีเทวดาที่เป็นญาติกันเอามาเยี่ยมกันไปตัวก็ได้โอ้โหอปลว่าแล้ว่าผีไอคาถาขับเทวดานั้นมันดีนี่ใช้คาถาขับผี เทวดาอบใจใหญ่เลยพรี่ดีมันดีเองตระหนักวุฒิผลเป็นผู้พุทธเจ้าก็เทวดาจเป็นเทวดาได้ต้องอาศัยผู้เจ้าอยู่ไหมไม่เห็นความมั่นคงวุฒิก็ตัวนี้มันดีเลยเพาะชอบใจโอ้ยร้อนนั้นจะเป็นไรเลยนั่นจะเป็นไรเลยอันนี้เฉยเอาอย่างนี้ดิแสดงถ้ามานะแกมาไล่ผลแล้วฉันรบดายเร็ะดี ตอนนี้ไปดีให้มาทุกครั้งของหวยออกบอกหวยด้วยแต่บอกหวยไม่ได้ห้ามมานะอย่าเชื่อมากแต่ถ้าทุกคนคิดจะมาก็้องบตายนะใจใเอ้าเลยเลยแล้ก็เดียวหาลูกคองไปประกาศการมาหาโครงารใหที่มันจะลองดูจะมีบรรากาศไ อเนกมาบอกว่าพวกเหเลนาป็นขาดยาวสีแดงแหตัวเล็กแล้วก็มาใหญ่ใหญ่จะประมาณไล็ขนาดนี้แล้วก็หายไปสามารถขนาดนี้จะพอใา้ได้หรือไม่ถ้าจะต่อแท่งจะเ่ไปวรจะต่อแวนใส่จับต่อต่อต่อ่ใช่ไม่ได้ ก็ไม่พิจีรณาตัอสงสัที่บอลตัวที่ห้ทุกตัวไรเท่ากันก็รู้ว่ายอางี้ที่เรืงพระพุทธรูปดีกว่าได้องย่างได้เป็นเจ้าเสียงด้วยพรุทธรูปด้วยพุทธรูปตัวด้วยได้กำลังใหญ่กว่าดีกว่าประเดี๋ยวเยอรมันต่างไม่ใช่ ที่ข้างวัดเราดึงกอเเลยโินไอ้เจเลยโยินเพียเนี่ยนะพอดียัไปเทกลับมามาทักอดีโไอ้บ้านอยู่รงข้ามขงเล็กๆใช่ไหมใ ไ, ไปใช่ไหมไอ้ก็นั่งสตงขามนั่งไปนั่งประเดียเียฟ ไ, ไม้บ้านนะ้ย โ, <ฮ> โ, โดดโดดตเราจะต่างดีน้าขึ้นใ ก, ก, กรงนั้นแตะน้ำไม่ริ้งขาหักเวลาน้ำลงน้ำม่แห้งใช่ไหมไม่มาไปไม่ไหบ้าน ม, มันเป็นมันเป็นปฏิภายกานนิดถ้าไม่สนใจอยเล่นเลยนะให้ผู้ท้าทุนตีดีกว่าดีกว่าทีที่สุดแล้วเออจะาวน์โหลดอสโดยระบบอยู่ต้องลูกให้รบกมันสั่งจา ฝากนายวิวิทเก็บบอแล้วแต่บอลเปิฟังก็เป็นหลุมได้แม้ประจูมันเองก็มีหลุตาวจยผมอยากจะขอขัดคำสั่งโดยเฉพาะว่าจะทำอย่างนีหรืแทงในทางรืจะแก้ไขอย่างใดไดบ้างหรือไม่กฉันไม่กล้าขัดคำสั่งทเจ้าาวาสไม่ไม่ไม่จะไม่ได้ถ้าหมายควาถ้าต้องการความเสียดงเรื่องให้ปวดช่ไหมเนี่ย ก็ร อ, อเวลาจนกว่าจะมีโอกาสบุญกันการรอไปได้แล้วก็นะแล้วผส ง, งสัยว่าผู้ที่จะเลินอาลูัยานหรืออาลูกสมนรั น, นถ้าจะต่อไปวิปัสนานยาว่าพักสมุนรั้นในชาินี้จะเปลนแปงหรือจะต่ออย่างไร ทำได้หรือยังทําได้หรือยังมาได้ยังยังอาการนันญาเจตนาจินญาเตนาในนัญญานาจญาเตนะจินญานันญาเจตนาเกินนะวนนี้ทำได้ยังทำไม่ได้หรอกไม่ได้แต่ชนะหนึ่ ถ้าได้แล้วเขาไม่ถามแบบนี้เขาปัญญามาเกิจแล้วถ้าต้องการริพานน็วันเน้เพราะกาพายนใช่จเรื่องปัญญาญาณเข้าแค่รูปรานนเข้าเป็นพื้นฐานนะไม่เกินเจ็ดวันเจ็วัน้จะมีรายงานต้องมืชานพื้นฐานจบราเรื่องดาวศิธาคารไม่ไ้ต้องมีชันพื้นฐานมีชั้ฐานไม่ได้ จะรู้เรื่องอะไรคุสจอยโง่โง่กว่าโยกตัวเยอะเยอะกว่าเยอะมันแยกกันไม่ได้ที่สมาธิเปัญญาณธารสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแบบน่าญาณไม่มียังไงเป็นญาณได้ไหมได้จนว่าธรรมคือสมาธิเองก็ต้องทำพร้อมกัน ไม่รู้ไอ้หมอหน้าไหนไม่รู้แน่ต้นยอดเด็กตนเทวชัดยุคนี้ต้องรอรุ่นต่ำเลยสายตาเด็กกลารค้าเราต้องรอคนยอดที่รุ่าต่ไม่ว่าจะเป็นซอยสายลมหรือว่าทุ่งบ้านต้นตารอจิของรุ่นต่ำก่อนวารุ่นไห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 เห็นย uh, oh, oh. ังนั้นจิเข้าอุปจาระสมาธิไม่เก่ยวระวังระวังเรอรูธรรมดาที่นั่งอยู่เนี่ยใส่ระวังระวังเพื่อนน่ะรวยท่านนี้เขาให้รวยนับนิ้วสินับยืนแบ้ห้านิ้วกับห้าทำมือก็สูนย์ไม่ห้าก็หกคน คนน้องกอยสามบลก็คนปเยก่นนี่แหละยิงเป็นตัวนะคนที่มีจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีเทวดาเช่นจารุมาร่าเขารับขามันเป็นเทวดาที่เข้ารับขาทำมาแสดงตัวกัรสุขเทีนถ้าเริ่มดีถ้าเริ่มดี ลพ่อจะหาลูกชายกัทางวย์ตอบเร่าษาาาผาใชกทางธรามไม่ให้เป็นการสาแล้ป็นี้เนี่หว่ว่าแต่เราก uh, ็รูปนี้วางลงไปจะาในสนกรู้่าออสงใจว่าอย่างนี้ว่าจะอกหลวงพว่า ไม่ใช oh, right. ่อามึงนวรจเป็นเวลาจะถอนต้องบอกข้ามนะไม่ตอนเฉยป่วยนะป่วย็นรักษาไม่หายเอาไ้สร้างทป็นทิ่งสร้างในบ้านเอาทิ้งสร้างแผลไม่ได้สร้างทำมาหลายสิบ้านแล้ว่าเผลยังจะเจ็คกึ้นแต่ไว้โห้หมูจันต้องเที่ยวดี่ฉังสงนั้นจะไม่คือทำมรเจ็เจ็คเจ็จ แต่เจ็ตน yeah. ั so, ้นมันหนึ่งนะไม่เจ็นะเจ็น้อยราลกษาไเนี่ยเขาวพ่อกขได้หลายภาษาแต่แ่นี้ลุกๆเลยเลยเเขถายพวกหมูแลวพ่อเขาที่มเไม่ตั่งศาลสมัยนั้นนะไปก็หาที่ตั้งไม่ได้ด้านหลังก็ติดแถวแถวหลังมันจะไปห้องแถวใช่ไอ้ข้างหน้าก็ไปทางนนท ฉัก็หนักใจเล้นั่งนั่งอยู่ไปเดียวนึกเขาคิดคานว่าคุณพงศ์นี่เขาตั้งใจโคตรจะตั้งาแต่ที่ไม่มีจะอยาที่ไหนเขาพก็เลยบอกเอางี้แล้วกันตั้งหัวนอนมันก็แล้วกันก็เลยบอกเขาเขาเลยเอาถ้าตั้งหัวพอตั้งหัวนอนแล้วก็แปรว่าพวกเจกนั่งดุจารพวกเชียบ้านด้วยกันดุจาเอาบ้าเบ่าก่อตั้งศาลพงศ์ในหัวนอนในที่เราใช้แล้วมันก็ตั้งศาลในศาลเนะ เป็นวดท่านปลาโคว่าแจ็คคนนั้นตกหวยรวันทีเ็งเลยได้อุมหปีแต่วันนี้ยัําแต่พ่อยลูกกามาไก่ไกก่ไก่ไา่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่อก่ก่ไก่ไก่ไไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไไก่ไ่ไก่ไกก่ไก่ไก่ไก่ไกก่ก่กก่ ทนเอยเลยเลยเลยอเคแล้วถ้เปนเอาไปทำัวคันไใช่ใช่ใช่พไม่นานกสามนาทีเป็นข้อเป็น่นาที ไมารกร่เ้าเจ่ารูดมัน้องรู่ทีัเมตตาบนาก็เป็นเวลาร่งอว่าแล้วเวลาที่วามรู้ว่าเวลาอยากทอะไรเจอผู้อยากอะไรก็ถารูุ้ดจบที่ มากตลอวามาไปาอะไร เราทำอะไรก็เป็นส่วนหนึ่ง จะรับไหมสงสัยเราล้างสนามขนาดแล้วเขาไปรอบสนามสนามก็เขาไปสนามอ่อโอ้ย กองพุ้นใหญ่อาวแล้วนนังานเปวพ่อครับใเาไดาวงพ่ตาิ้วนารบ่างเลไที่มาแล้ไม่ได้ไปงสมายหลวงพ่ไม่ได้ Ah มันไม่ไนู่้กเขียนดีกว่าแล้วเชืาอเราไหนจะเรืองอื and, uh, uh ่นราไม่้องพูม่ิดทีขขอไฟไม่ได้ต้องให้เรื่อไปไม่ได้ ไปเขาใหญ่ก็จะหมดได้แคี่